ที่จะเดินไปปลูกความทุกข์ตามหลายกา ร, า เ, รกาเป็นทางที่รียกว่าเป็นทางที่จะเราออกจากความทุกข์แต่ถ้าเราไม่เดินทางหลายการเราก็จะเดินไปปูก ค, ค, ความทุกข์ปลูกความทุกข์เพราะอะไรปลูกความทุกข์เพราะการ ก็เราไม่ได้ออกจากความอยากนหรือว่าเราติดจยู่กับกิเลสของโลกตางใจกางสือทางที่ทำให้เรารู้ทันความอยากก็ไม่ติดไม่ติดกิเลสที่มันเกิดขึ้นเราจะเดินไปสู่ทางโพุกไปเรื่อยๆการ ท, ที่พุทธ้านสอนนะมันเป็นพุมทาที่เรียกว่า กรรมฐานแล้วก็มีศาสนาคือสมบูรณทั M, ้งตัวที่เป well, we ็นทั้งสิงสารทิศปัญญาตรดเวลาือท่านอธิบายแล้วบอกวการเดินทางอย่างสมบูรแบบไว้ตวจเรียกว่าระยะมัสมีองค์แป่หละเ้าที่เดียดแค่กเหมือนเป็นแผงที่นะที่เราตวยตงนี้นมันเป็นแผงที่ที่ท่านบอกว่านะ แปดที่ที่จะทำให้เราถึงถึงวิ่งผ่านได้นี่คือแปดที่ในการเดินทางนะที่เราอ่าที่เรารู้มาเราได้อ่านแปดที่นะได้ดูลายแทงได้ดูเส้นทางในการเดินทางแต่มันไม่ใช่ที่เราจะถึงวิการได้โดยการผ่านโดยการรู้นะแต่การเรียนแต่การจำเท่านั้นก็สิ่งที่สำคัญที่ก็คือคือการเดินทางการทางตรงนี้นะ บางทีการศึกษาคณะบางคนเน้นที okay. be, ่ดับวิญญาณคือการเรียนเกิดความรู้เกดความเข้าใจในตัวแทนที่ตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ที่เราตื่นเดินทางน่ยมันก็เหมือนเรารู้แต่แทนที่แต่เราก็ไม่ได้เดินตาแทนที่นั้นเราก็ไม่ได้ตื่นตัวที่แบบเรารู้จิตใจแต่เราไม่ได้ไปมันเรา ไานู่มือท่องเที่ยวประเทศต่างๆแต่เราไม่เคยไปต่าทประเทศด้วยซเราก็แค่รู้จากตำราได้เห็นจากภาพที่ม <học> ีคนใส่มาให้การปฏิบัติธรรมภาวนาก็เหมือนกันครับเราศึกษาแผนที่นะให้พอเข้าใจว่าการเดินทางการเรียนรู้เยอะมากเพียงแค่เป็นแบบนั้นแต่ที่สําคัญคือการจะทำนะคือการเดินทางลอยองเนี้ย ให้งงได้ที่ตัว uh. ้าท่านอธิบายในหนังเรื่องแรกที่จะมาบอว่ามันเป็นบูาวที่เป็นธรรแล้วก็มีปัชนาคือมีทั้งส่วนที่เปิดแบบสมาธิแล้วก็ไเกิดปัญญาก็ได้หรือบางคนไม่ได้เน็นในส่วนของมาธิมาเน้นเรื่องการที่ปรัชนาหรือว่าเดินปัญญาไปโตรง ก็ได้การปฏิบัติยังจากพิธีการแบบหลวงพ่อเทียนนะที่ที่พวกเราในเรียนรูในวันนี้มันอยากจะเป็นการในในส่นนนนว น, น, น, น, น, น, นของการเดินปัญญาเป็นแบบไม่ได้ไม่ได้เปในในส่วนของการต้องทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นให้จิตมีความสงบแล้วไปเดินปัญญาต่ออันนั้ น, นแง่แผนที่โดยภาพกรุ๊ป้ามันจะบอกทั้ง สารถได้รับการารณาแต่สิ่งที่หลวงพ่อเพียนท่านท่านย่อยออกมามันเป็นทางที่ท่านเห็นว่ามันเป็นทางที่มันตรงที่สุดนะเป็นทางที่ตรงให้ต้องมวอกมากสานะมารถที่จะถึงความบรรลุได้เหมือนกันเหมือนถ้าหลายคนบางคนไปไปที่วัดปาสุจตโนบางทีในแผนที่ใ น, น, ในเฟซบไ๊กของวัดูว่าในด้านหลัง หนังือทำทำรักนี่ก็มีนะจะมีแผ่นที่บอกว่าเส้นทางไปวันไปได้ทั้เส้นทางจากจากการเอกรูมไปทางต้นตอกขาต้นนี่ว่าไปทางเมือก็ได้หรือแผ่นที่ทำาม่ได้บอกว่าเอ่ออ้อมเปทางคแก้งคอแล้วก็ขึ้นขึ้นเขาด้านก็ได้แต่มันก็จะเป็นปรจุดไปโดยตรเขาแล้วก็ไปนึงตาต้นได้เหมือนกัน การการปฏิบัติตามก็เหนือนกันบางทีบางคนก็เลือเที่เดินขนาดอีกทางสำหรัาก่อนแล้วไ่อต่อเรื่องการเดินปัญญาต่อก็ทิ้งอีอาจจะต้อมผมหม่เหมือนท่านจะไปรับสุโตก็ต้อมในการแก้มคอแล้วก็ค่อยขึ้นเขาหรือรางคนที่จะเดินทางครับงานแง่ดูในแผนที่จะโค้งเขี้ยวมากกว่าขึ่นไปทางบงเขาครับให้เขาตกใจตัวเลย เราอยากเรียกทานไปได้สามกิโลได้หลวงพ่อเทียนท่านก็เข้าใจแนี้แหละท่านก็ปอนให้เราออกทางตรงไปเลยทางลับไปเลยแม้มันจะดูโคเชี่ยวแม้เราจะอยู่หวานมากนะแต่เราสามารถไปปลูกความรูทุกข์ได้เหมือนกันแลพวกเราก็เข้าใจนะเวลาปฏิบัติตามมีทางทางทางที่เรียกว่า เป็นเน้นสมรภูมิก่อนแล้วก็ต่อเป็นยาดูบำรุงนล้เน้นเป็นวิศารณาเป็นลยดก็นี่เป็นทางที่มัสามถถึงถึงมักคว่าไม่ทางได้เหมือนกันแต่เราก็เทียนก็ย้วยย้ยาว่าอะไรบางทีในตัวการเะดอดของท่านเองหรือท่านได้สอนหลายคนเองบางคนเลิ่นช้าก็อีกขาดไปหมอ่าขาดไมดอนะ แท้ที่จริงบาคนก่อนสงดก็เกิดยิ้มยิ้มเห็นนีิ้เรื่องแปงเรื่องสีเรื่องเสียงหรือว่าเห็นเหนในโลกเห็นสวรรค์ถ้าบอกว่าฌาที่ติตติดก้นแอนเ์เมอร์ฌาอนี่ยไปติดจิตติไปติดสตุปไปติดความสงบยิ่งช้าที่งบอกยากเนี่ยพอจิตมันมีความจิตติมีความมีความสบายมันจะยากจดูแบบนั้นอยากแท่ สบายมันเพลินไม่อยากที่จะเดินปัญญาการเดินปัญญาคือให้จิตมันเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์นะต่างๆก็ดีร่างกายหรือว่จิตใจนี่ก็ดีมันเป็นทุกข์มันบางอย่างมันเปลี่ยนแปงมันเป็นร่างานะไอ้พวกนี้มันเป็นการเดินปัญญาแต่ถ้าจิตที่จิตสงบสบาย มันจะพอแต่ในความสุขมันไม่อยากเรียนรู้ผนะู้อะมันไม่อยากมันไม่อยากให้เป็น อ, อ, อันันอันอันิจจามันอยากมีเกี่ยนแปลงอยากให้เป็นนิจจาอยู่คงที่นะไม่อยากให้เป็นอนัาตาไม่อยากรับพักคาไม่ได้อยากจะรับพักที่มันผุดสบายแบบนีตลอดไ ป, อ, ไปอันนี้คือการไม่เรียนเรียนรู้สัญญาเพราะเรียนนั่นเห็นว่านายคนที่ปฏิบัติภาวน า, าแล้ว นติอยู่ในขั้นงะคบขั้นของนิ้นๆก็ดีนะหรือว่าของฝึกของบายอสงบก็ดีมาเป็นขาที่เนิ่อช้าแต่หลายคนถ้าได้มีครบาอาารที่ที่ขาออกจากพวกนิ้ออกไปความสงวก็เดินปัญญาต่อก็ไนกันนะแต่เราก็เรียนให้ว่าถ้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนั้นน้อที่สุดก็ดีนมันจะได้เดินไปเลย ถ้าบอกว่าเป็นทางที่เห็นอะไรผ่านไปหมดนะถ้าเราปฏิบัติในแทางใจเย็นสงบนะเหตุเหตุอะไรนั้นให้ผ่านไปก่อนไม่ว่าจะมีนิริเกิดขึ้นมาอย่างไรก็แล้วแต่นะให้ผ่านไปเลยมีอ่าที่ว่าแต่ก่อนเขาเห้อินโก็เอาเรงางบางทีกบัตาไปคือเป็นโงไกนะคือนตรงเคเห็นเขาตัวเป้ามันอยู่ตรงปาย ทางที่เป็นจกรงเนี่ยเห็นทุติ่เจ้าก็ลงก้มงกราโอเบกต้านะก็คือไปจิตมีที่เหตุต่ทุตเจ้าจริงหรือเขาไปที่เอาแต่เขาก็ไปหลงแล้วว่าไปหลงไปหลงแต่ที่มีปฏิสิทธเหตุเยๆก็แค่รู้สึกก็มีโอเิต้าเกิดขึ้นแลแค่รู้สึกก็ผ่านไปหรือบางครั้ง ไปแบบไปก็เกิดความตุกความสบายเกิดขึ้นนะเราก็อยาติดมาแค่เห็นนะเห็นว่าตอนนี้จิตมันมีจิติเกิดขึ้นมาเห็นว่าจิตตนี้มมีความุกความหเกิดขึ้นมาเราก็เห็นล้วก็เดินทางไปเรื่อยเกการเดินทางเราบางมีจุดแรพักมีจุดเลี้ยวมีจุดให้ท่องที่หงอเดินลนั่งเราไนก็แล้วแต่มีเหตที่ให้เราและให้เรา เดียวให้เราได้เที่ยวเด้ชมดีมากๆแต่ตามทางเหมือนเราไปเรืยเรากงหนดจุดหมายปายทางเราชัดเจนคือมาตรฐาี้่าแล้วเราก็ค่อยเดินไอเรื่อยๆไม่แวะพที่ไหนให้นานแต่ที่จริงแม้เดินตรงขนาดไหนนะมันก็จะมีทางที่ทาให้เราติดเป็นแต่ละขนาดแต่ละขนาดียู่ แต่การที่เราภาวนาปฏิบัติไปเรือยเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจเข้าใจเรื่อว่าอารมณ์อารมณ์ในการปฏิบัติมากขึ้นนี้ด้วยเนียแต่กอนเรายังไม่เข้าใจนะเราก็ยังจิกจิกกับความความหลงะในเรื่องเล็กๆก่อนความหลงเล็กๆแล้วก็เข่งทั่วที่วอนจะทำนี่แหละนะมันยากนะควไม่วงเหงาอาวนาวันความมังเรื่องใส ความคิดองกต้าหรือการการมาลาพักหรือว่าปฏิพ่กการมาลาพักคือกันการจิตใจในอารมณ์ทางตาหรือที่หูที่กายใจอะไรนะก็คือจิตใจในรูปตัวเสียงเสียงกปะทำมาโดยสไรหรือการไม่พอใจมีปฏิพักมีโกรธนะกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยคือมันเป็นอารมณที่มันเกิดขึ้นมาแบบยาก ไม่ว่าะเป็นความโกรธนี่ก็อยากอากนะความโกรธให้พอใจมอนคิดขึ้นมาแล้วโกรธหรือเห็นอะไรแล้วไม่คอยใจมันยากนะเราก็ต้องเห็นแล้วก็ละมไปความง่วองนะคะนีมันเจอขึ้นมาเเราต้องหาวิธีแก้ไขนีู่้ก็มาไม่ได้หรือนีเป็นความวเงสงสัยไม่แน่ใจเราปฏิบัติผูกเปา อาจารย์หอังผูกลป่ามันเป็นแน่ใช้ได้ขนาดไหนเมื่ีเราก็สงสัยให้ลูกป่าทาไมคนนี้ว่าอย่างนี้อีคนหนึงว่าแบบการไปเจอกองสงสัยสงสัยผู้อื่นก็ดีคือสงสัยตัวเราเองก็ดีเพาเราปฏิบัติูกลป่านี่วามสงสัยทำให้เราคล้ายๆมไม่กป็นแม่ใช้กับอีกนเดินต่อไปลูกป่าเหมือนเจนทางแยกแล้วก็ ดูทีเดียวได้ดูดีกว่าดูจะกลมไปดีดูจะสวยไดีไปเดินทางไหนดีกว่าอนะความในสงสัยนันก็เกิดขึ้นมาก็ธรรมดาแต่หลวงพ่อถ้าให้เราภาวนากับแค่เห็นนะเห็นเห็นจิตนะเห็นจิตเขาเกิดความคิดเกิดความสงสัยไม่ต้องไปหาคำตอบให้กับความคิดนะไม่ต้องว่าพวกเรื่องที่เราคิดจะสงสัย เราต้องพยายามหาคําตอบให้ได้หรือเราต้องพยงายามถามผู้รู้ให้เขาอธิบายให้เรากระจ่างแจ่จากคําตอบที่เขาตอบให้ได้ไม่ต้องนะเวล า, าไปฏิบัติเราเนี่ยไม่ต้องไปเาอาคำตอบกับควาผมผงใสเยอะทั้งหมดนะไม่ต้องไปคิดหาคําตอบเดี๋ยวหลวงพ่อตองเกียนนะบางทีท่านจะบอกว่าแางทีคิดถามหลวงพ่อคือไม่ใช่ไปเจอคิดไปอ่านแล้วก็เหมีคิดแล้วก็ถาม อยากจะรู้แต่ถ้าให้ถามตอนที่มันติดจริงๆนะติดอารมณ์นะหรือว่างงไปไม่ถูกจริงๆรินะให้มาถามแต่ไม่ใช่ไถามแล้วจะเกิดคถามก็มาถามนะคือ่อยากจะรู้นะแล้วก็มาถามไอ้พวกนั้นมันมันไม่ด้มันไม่ได้การที่จะทำให้เาเกิดปัญญาจริงๆมันก็แค่รู้รู้แตงทำไม่ได้ให้่เกิดนะ แต่การพลงานเห็นอะไรเกิดขึ้นมาแล้วแต่เราพยายามผ่านไปเรว่อยตัวผ่านก็คือตัวส่วนปกติเนี่ยคยดูดูถ้าดูอารมณ์ดูความคิดได้มันก็จะเห็นว่าใ้ความคิดเรื่อารมณ์หรือเวทนาความรู้สึกทุกทุกที่เกิดขึ้นนี่ยคิดมันก็เป็นแค่เป็นแค่เหมือนตัวส่วนมาลอกนาหลอกให้เราได้พักให้เราหลงคาน ให้เราหยุดอยู I ่ก yeah. <Yeah. S 1> ับที A ่เห็นนะแต่หน้าที่เราเพอเราผ่านไปได้จะเห็นว้าอารมณ์เนี่ยมันมันเปรียเทียบกัดาวจริงๆนะสงสัยเพิ่นนิดนึงเนี่ยพอเราไม่ใส่ใจมให้กับไม่สนใจนีมันผ่านไปเิ่เดียวอ่านแค่เดียวผ่านไปได้พอคิดเราจะเห็นว่าบางทีมีคิดขึ้นมาแล้วึงเนี่ยพอเราไม่ปรีบรุสอนมันก็ดับไปเลย แล้วเราไปคิดใหม่อีกนะแต่เราพอรู้พันมันก็ดับไปอีกอารมณ์หรือความคิดเนี่ยมันมันค่อนข้างช้ามากนะถ้าเรามีสติเร็วจริงจริงมาเจสิงเห็นความคิดเกิดขึ้นเห็นความคิดดับลงเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเห็นาดับลงเร็วมากในนาทีหนึ่งเนี่ยจะเกิดอารมณ์อารมณ์มันจะเกิดขึ้นในจิตบ่อยมากมันช้ามากนะมันช้ามากอะ ถ้าเรารู้ท ja ันม hmm? ันจะท่านตัดตงอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราไม่ร <Right. S 2> like the ู้ทันนะมัตยาคิดเรื่องนึงก็วนวนวนวงเวียนนะบางคนเป็นคนยําคิดยังทําหรือเป็นคนที่ตัดสินใจอะไไม่ได้ก็จะวนคิดแตเรื่องเนี้ยทํำแล้วทําเล่าหลายชั่วโมงหลายวันหลายคืนก็มีก็เหมือนเราวนเหมือนเราวนในวงเวียนนะก็วนไปเรื่อยนะ หาทางออกเยอร้ายเยอวาไม่สุกกระิ่แต่การที่เราชัดเจนว่าเราจะไม่เข้าไปอยู่ในความคิดมันทำให้เราผ่านไปได้เลยนะแค่รู้ว่าจิตเขาคิดนะล้วก็ไปต่อไปเลยนะแค่รู้ว่าจิตเขาสงสัยแค่รู้ว่าจิตเขามีความสุมสมสสขแค่รู้ว่าจิตเข า, เเ า, าเมีความุกความทุกข์เกิดขึ้นแค่รู้ว่าจิตเขาเปลี่ยนแปลงอเราผ่านไปเลยมีสติเห็นเห็นจิต เขาเกิดอาการแบบนั้นขึ้นหรืดดอถ้จจอบอาบางทีเราไม่สามารถที่จะดูดูจิตดูใจแล้วก็ไปวดที่จะปรุงแต่งอดที่ไปอยู่กับอารมณ์ไม่ได้เราเน้นดูกายก็ได้นะดูกายแม้ความคิดจะเกิดขึ้นกี่เรื่องกี่ราวมากบ้านน้อบ้านเลยอย่าเพิ่งไปสนใจมนสนใจแต่ว่าทำอยาไรเราถึงจกลับมารู้สึกรู้สึกว่าตอนนี้กตำลังทำอะไรอยู่เป็นอย่างได้ คือสัมรู้กายสัมรู้กายกายของเรามันทำงานอะไอยู่ให้รู้มันแบบนั้นนะแต่ไม่ใช่ไปรู้แบบไปรู้แค่มือรู้แค่เท้ารู้แค่ลมหายใจกายไม่ใช่สิ่งแค่เอ่ยวัตส่วนใดส่วนหนึ่งนะแต่การรู้กายต้องรู้กายโดยรวมๆนี่ก็เป็นการรู้ตัวทั่วทองรู้สึกว่ากายกระดังงั่นอยู่ รู đ đ đ ้สึกว่ากายกาลังเดินอยู่รู้สึกว่ากายกาลังนอนอยู่อันนี้นะรู้สึกไปดูดูรู้สึกนะก็คือการเห็นเห็นกายก็ทางานของเขาจิตนะมีสติเห็นแยกออกมาแยกเป็นเราเป็นผู้ดูจิตเนี่ยจิตที่มีสติเนี่ยบางครั้งก็เห็นกายก็ทำงานของเขาไปบางครั้งใจเผลอไปสติสตก็เข้าไปเห็น ที่เกิดไปคิ้าจเนี่ยจะเป็นผู้ผู้ดูทางสายการที่ไม้ว่ามีความท่ามีความปาให้เราตงการนะคอยประคองิให้ให้จิตสางตาให้จิปสายปาไอ้นั้นอนั้นจะเป็นการประกองนะเจ้าจนทางสายกาที่มีสติจริงๆน่มันจะเหมือนเรายกตัวเองออกมาจุูข้างบนหืออยู่ข้างนอกนะแล้วถ้าดู ยูกายจิตเขาแสดงนะมันเลื่อนคลอนออกมาหลายชั้นไะไม่เหมือนไม่เหมือนเอ็นมุดเราไหว้น้ำเาอยู่างแม่น้ำอยู่การคออยู่กลางคลองก็ยังเหนื่อยนะอ่าติดฝัง้าติดฝังขาก็ยังเป็นการหลงอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เราค้นมาอยู่บนฝั่งแล้วมาดูดูสิงมันผ่านไปในคลองไม่ว่าจะเป็นเรือไม่ว่าจะเป็น กับอ <ME> ีกูไม่ว่าจะเป็นคนที่ว่ายน้ำผ่านไปเราอยู่ข้างบนมนจะไม่เหน่ยมันเราอยู่บนนสะพานลอยบนึกหือยู่บนถนนเราก็ดูรถที่ผ่านมาผ่านไปเราจะไมห่อยแต่ถ้าเมื่ใดที่เราไปอยู่กางถนนเนี่ยเราต้องคอยหลบรถนะทา้ายหลบรถาขวาหเราต้องคอยปิด แต่ละตอนติดจับระเบียการแต่ละตอนต้อเป็นเหน่งมากการปฏิบัติธารนไม่ใช่การรับขับนะไม่ใชการรับคับคือการปมความคิดละเอียดความคิดไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าเราต้องไปเราต้องคิดดีตลอดคิดได้ดีไม่ได้นะหรือเราต้องคิดให้น้อยสิทำไมคิดมากเวลาภาวนาไปบุญดีเราจะรู้สึกว่าโกรธตัวเองที่คิดมาก โกรธตเองที่ฟุ้งฟาดโกรธตัเองี่คิดไม่ดีอยากให้มีความสงบอยากที่มันมีความปลุกอยากที่มันไม่คิดไอ้พวกนี้ยวิธีคิดพวกนี้หรือว่าชาติบากอะไรเนี่ยมันทำให้เกิดความปุกแต่ที่จริงความคิดความทุ้งฟาดอะไรต่างๆไม่แค่ตัวที่ทําให้เกิดความปุกโดยตรวมนะแต่การทุกก็ราะเราิดนี่ ก็ไปคิด mm. ว uh, ่าอันน uh, ah ี้การคิดของเราไปคิดว่าเราคิดไม่ดีไปคิดเพราะว่าอืมเหตมันเกิดขึ้นมากไปคิดไปยิดว่าทำไมเราไม่สมบกตายไปคิดมั่นในความคิดในอารมณ์นี่แหละเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อืมก็ไปคิดมั่นก็เอาอยาอยากให้มันดีอ่าไม่อยาให้มัน ไม่ดีเน um, ี่ยอเหตุให้เกิดความทุกข์เราสติไปไปเห็นเห็นว่าโอ้เราเป็นนิดนี้เองตัที่อยู่ตัวสัากการนิดคือเราอยากอยากให้มันดีกับราอให้มันไม่ดีอยากให้เราไม่ดีมันหายไปความอยากนี่แหละมันไม่เกิดความทุกข์ในสติน้มันจะดีเพราเรา ถ้าดูแบบนี้ได้นะจิกม <us> ันก็จะแยกแยะออกมาส่วนที่เป็นรูปมันก็เป็นส่วนนึงส่วนที่เป็นนามก็เป็นส่วนนะส่วนที่เป็นความคิดก็ส่วนหนึ่งนะใจที่มันลอยสูตเป็นปกตินะมันก็เป็นส่วนอันนี้แหละคือการเดินทางนะคือการภาวนาที่จิตสิ่งที่ทำมันี้มันมีมากอว่าแล้วก็ไม่ยากเกินไป แต่สิ่งสาคัญนะอย่างที่เราได้ตรวจบางทีก็ต้อมีความพอใจนั่นคืสิ่งที่เราทำนะก็มีความพอใจที่จะรู้อยู่บ่อยๆถ้าเราที่เกียร์นะแม้เราจะรู้มากขนาดไหนแต่เราที่เกียร์ก็มีไฟก้าวหน้าก็การภาวนาเนี่ยมันตอมาใส่ความพอใจนะความพอใจในการรู้อย่บ่อยตั้งแต่เช้าจนทั้งนอนนะ เราต้องรู that that ้ก <time> ันนะใคเรียด้วยไม่ต้องเด็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเริ่มรู้ทำตอนไหนเราจะเข้าใจนะกอนไหนเราไม่สามารถกาหนดตกิดเกณได้นะแต่หน้าที่เราถ้าเราอยากรู้ตัวบ่อยๆนะอยเรดูบางทนาทีทีชัวโมงนึงวันหนึ่งหรือว่าเจ็ดวันหนึ่งเดือนลเองได้เลยอยู่กับความรู้สกตัว ก็คืออยู่กับการดูตัวเราเองดูดูกายดูใจที่มาแสดงไปเรื่อยลองดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยเราจะเกิดความเข้าใจเข้าใจกายเข้าใจใจมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจมากขึ้นใจที่มันเป็นปกติมันจะมันเป็นมากขึ้นท่างโคมขึ้นเรื่อยใจก็นะอิสระจาก การจะคิดมั่นหรือมั่นในเหงื่อตาไปเรือยเองให้ตตอบตรงนี้อยู่ความรู้งนี้ไม่ต้องใครรับรองนะการภาวนจริงๆเนี่ยไม่ต้องใหใครรับรองว่าเราได้ขั้นนั้นขั้นนี้ได้ถูกหริดหรือล่าอย่างที่บอกว่าบางคนสงสัยก็เราภาวนาถูกหรือิดภาวนาก้าวหน้าหรือว่ายังไม่ก้าวหน้านะก็เป็นแค่ควาสงสที่หลอกให้เราคิด าเแค่ความห่ที่เราถามแต่ถ้าเรากมาดูตัวเราเองนี่แหละดูที่ตอนนี้ใจมั่นกับอะไรหรือเป่าที่พอเจออรมณแล้วระบมันกระเทือนมากไหมดที่พอมันจะเทือนมันมันลาไได้เร็วไมนะหงดเปนาหมนะใจมันเบาหรือเปล่านะแต่มันเกิดปัญญาเห็นนั่นเห็นที่แล้วอ เข้าใจความจริงไม่หมดไหมเนี่ยเราจะบอบครามจริงได้เลยไม่ต้องให้ใครมารับรองนะรับรองว่าเราได้ท่าไหนรู้มากหรือน้อยอย่างไรไม่ต้องรอให้ใครมารองนะแต่เราจะใจใครควรจะรู้ตัวเราเองและเองแต่แม้เราจะภาวนาได้ดีขึ้นขนาดไหนนะก็ไม่ใช้ภาวนาเพื่อไปบกว่าเราเก่งเราดีกว่าใครนะไม่ใช่คิดว่าอืม เรานีกว่าเราดีกวนาคนนั้นคนนี้นแข่งกับคนนั้นคนนี้ไม่ใช่เพราะการภาวนาจริงๆไม่ใช่ไปเพื่อแข่งใค ร, ไ, ใครไม่ใช่เพื่อหวดใครไม่ใช่ไปเพื่อนะอยากแดงแห้ใครรู้ว่าเราเป็นอย่างไรแต่ภาวนาเพื่ออะไรเพื่อให้ใจมันละนะล้วามเห็นิจที่เราไปิด ม, มานหรือมากว่ากานี้แต่นีิเป็นของเราภาวนาไป เพื่ให้รักกิเลสมันได้ถ้าอยังรักกิเลสไม่ได้ไปอยู่วัดไปบวชไปทําอะไรก็ไม่ถือว่าเป็นการภรนาถ้าเรียนภาวนาไปละความโกรธแล้วความโลภแล้วความหลงยังไม่เคยได้ยังไม่ได้เชื่อเป็นนักภานาแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานเรารู้ทันความโกรธขึ้นมารักความโกรธ ดูทันความอยากดูทันควาโลกความหลงตืนขึ้นมารัดมันได้ที่เราภาวนากันนะอืม no ถ so no ้าภาวนาไปเนี <thieves> ่ร so ัด <governor> พ <Under> ิเดชออกไปจากจิตใจได้มากน้อยไหมนะรับตัวตนรัดตัวปูของปู่นะสิ่งที่เรายึดมั่นสิ่งที่เราหวงแหนอันนี้คนรักของเราอันนี้ของรัดของเราอันนี้คนเกลียดนะัี่คนที่ไม่ชอบนัดหมดสะายได้ไหมกำกัน เราปรานทุก น, นะคำนั่นก็เราปรานที่ไม่ชอนะนะที่บอกว่ามีาสตินะมีสติก็นะรับความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกไปได้นะโรคไม่ใช่โรคไ่ไม่ใช่ว่าเราต้องไปเบื่อหนายโรคบ่นี้นะโรคพิษสินแค่ย่อมาคือไอไฟนีนนนนะ่แหละนยมันเป็นโลคนะมันเป็นโลคที่สมบูรณ์แบบไปทั้งหมด ไมแค่ เ, เราจะไม่เบื่ อ, อหน่ายโลคใบนี้อยากจะตายไม่อยากอยู่โลคนี้ะแต่ตามเดื่อหน่ายคือถึ่งฟังจริงว่าโรคนี้มันนี้มหอะไรที่เราน่าจะยึดมั่นถือมั่นจริงๆนะอะไรที่มันจะเป็นความสุขที่แท้จริงที่ไป็นหวังพึ่งจากคนอื่ น, นเป็นไปไม่ได้นะไปยิดว่าคนนี้โอ้คนรักเราจะเป็นคนที่ทําให้เราเกิดความสุขตลอดไปคิดแบบนั้นไปยึดแบบนั้นก็ผิดแล้ว ไปยึดว่าพว่าแม่ไปยิดว่าลูกคือสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขไปยิดไม่ได้นะเพราะบางครั้งเขาก็ทำให้เกิดความสุขขึ้นมาไปยึดว่ากายเนี่ยมันต้องสุขตลอดมันต้องไม่เจ็บใข้ไม่ป่วยมันต้องมีแก่ไม่ต้องมีตายยึดไม่ได้นะไปยึดว่าใจเนี้ยมันต้องคิ ด, ดีอย่างเดียวมันต้องสงบมันต้องอไม่ปุ่มแตงก็ยึดไม่ได้เนะี้ยดูไปเลยว่าโลกนี้มันไม่เที่ยง กายใจเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามาเป็นทุกข์ในตัวของมันเองไม่ใช่มันเป็นทุกข์เพราะว่าใครทำให้เราทุกข์นะแต่มันเป็นทุกข์เพราะธรรมชาติเพราะธรรมชาติที่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพราะธรรมชาติมันต้องเปลี่ยนแปลงไปแสดงไปตามไปตามเหตุการจัดใจ บังคับไม่ได้มันมีเห็นมีปจัจจเนี่ยเราดูดูกายดูใจน่ะเรื่อยๆแล้วาจะเห็นว่ากายใจไม่ใช่ของเราเ <c oughs> มื่อไรที่เราเห็นว่ากายใจไม่ใช่ของเรากายใจนี้เป็นสิ่งที่เราจะไปะบังคับบังคาได้กายใจเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นเมื่อนั้นจิตมันจะเกิดการปล่อวยวางปล่อยวางเรื่องกายใจของ ตัวนี้ได้มันก็ปล่อยวางเรื่องลายใจของคนอื่นได้เหมือนกัน อ, อนการกลับเรียนรู้แค่แค่กายใจเนี่ยรูปนามตัวเนีน้ยมันทาให้เรารูจา้จักรูปนามตัวอื่นสิงอื่นไม่ขาดกันการเข้าใจธรรมะนี่ไม่ใช่จะไปเรียนรู้ให้ข้อโคบข้อบแต่งวางเรียนรู้แค่กายใจก็จบได้นะมันเป็นธรรมชาติสิ่เดียวกันอนะ แต่ความละเอียดความแตกต่างแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันบ้างกนะารอธิบายการพูดบอกอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะประเด็นสำคัญคือเราได้เดินทางตรงไป ส, สู่ความค้พมมนพบไหมจิตตอนนี้มันเป็นยังไงนะเปิดมาแล้วก่อนจะตายงงมันหลงอยู่เหมือนเดิมนะัหหรือว่าค่อยๆก่อความหลงอไปได้บ้างเนนะี่ย สมาพิธว่านี้คือจิตที่เราควรจะทำเนา ะ, ะเราโชคดีแล้วนะที่เราได้มีโอกาสได้รู้วิธีที่จะเดินไปสู่ความพ้นทุกข์นะคือแผนที่ที่ครูเช่าท่านสอนเราไว้นะตั้งแต่ 2,600 กว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็แผนที่นี้ก็ยังชัดเจนากสมาพิธยังชัดเจนมากๆ ก็มีหลายคนได้พิสูจน์ในการเดินทางก็ไปสู่จุดหมายได้หรือบางคนไยัง้ม่ถึงจุดหมายแต่ก็พอจะเห็นปาทางบ้างแล้วลว่ามันถูกมันถูกทางอัะนี้แทนที่นะอยากให้เรามั่นใจว่าสิ่งคํางสอนพุกขั้นสอนสิ่งที่เป็นความจริงแล้วก็เป็นทางที่จะออกสู่ความคุ้มค่าจริงรอแต่พวกเราเนี่ยแะจะเดินทางจริงหรือเปล่า ถ้าเราไม่ดลงไปและพักหลงไปเกลือนกับอารมณ์เนี่ยเราก็สามารถถึงตรงนั้นได้เหมือนกันนะให้เราพยายามทำจริงๆลองดูอาศัยความเพียรให้ต่อเนื่องเพียรคือความขยันขยันรู้ไม่ใช่แค่ขยันยกมือขยันเดินยังคงขยันนั่สมาธิขยันรู้ตัวจะทําอะไรก็ขยันรู้กลับมาดู เรามาดูตัวบ่อยๆพยายามรู้ไปเรื่อยๆนะพยายนรู้รู้ตายที่แจไเรื่อยนี่คือความพยาย่มนะยแล้วเมื่อเกิดเกิดตัวรู้นะตัวรู้ันจะทํ้าที่รักสุขผลเองตัวรู้ทำให้เกิดกุขผลเองนะไม่ใช่ว่าความอยากนะไม่ใช่อยาตี่จะรักสุขลอยากที่จะรักความโกไม่ใช่นะแต่ตัวรู้เนี่ยต้งไปรักตัวเอง เขาเป็นความรายโลภของเขาเองนี่คือขยันรู้แล้วตัวรู้นะี่แหละมันจะไปทำหน้าที่รักษาผลผลหรื อ, อจเจริญสุผลขึ้นี้ด้วยๆเกิดปัญญาเองอันนี้คือสิ่งที่เราแค่ขยันรู้เองเลยก็จะเข้าใจธรรมะคุด้วยได้จโงมันเป็นสิ่งที่ที่มหัศจรรย์เป็นสิ่งที่ เราก็สัมัได้นะไม่ต้องรอรัวเานนแต่จริงแค่รู้ตัวแค่อยู่กัสติแค่ท่างผู้รู้แล้วผู้รู้เนี่ยคือพุทธะนะรู้รู้ตัวตื่นตัวปลอดอิจฉาสติก็เบิกบานจริงนะติดเบิดบานเบิดบานอยู่ภายในิ้นะยิ้มเมื่อเห็นอิจฉาหรือว่ายิ้มรู้ทันว่า ระบบระโดดแล้วไอากระยิ่งเหมือนทค่ยิงเยอะเลยนะเหมือนที่หรือบาวนี้าทีเป็นความฝุ่นภายในขับถลนหลอกไม่ได้ขับนเกิดขึ้นมาก็มีความสุกลยเปไนภยนอี้แหละผู้โทผู้รู้ผู้สืผู้บทบาทผู้นั้นก็คืออะไรก็คือผู้ที่มีติผู้ที่มีติจะเป็นผู้รู้ผู้สื่อผู้บทบาท อยู่ภายในนะนะอยากให้เราได้สัมผัสตรงนีนะ้ให้มีสภาวะรุโภบ่อยๆรุนะโภไม่ใชีติแค่คำพูดรุโภมีไนใจแต่ทุโภคือมีสติจะทำไรให้มีสตินะฮนะะเรียกว่าเป็นทุโภนะเป็นทุตทัศที่เราเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมะได้เหมือนกันนะอนี้คือธรรมะปารสนะในคราวนี้นะแต่ก็ เป็นแค่การรถไฟฟ้เป็นการกกไ้ใช้เกียร์ให้กำลังเดินทางแตก่การเดินทางเป็นเรื่องของทุเรานะวันนี้ก็จะเป็นเพื่อนในการเดินทางด้วยกันอาตมาเองก็เป็นที่ผู้ที่ก็ต้องกำลังเดินทางด้วยกั น, ยนอย่ให้ถึงจุดหมายปลายทางนะแต่ก็มือนใครก็ได้เดินทางมาก่อน งนญะาติโยมก็เหมือนกันนะอน้องคนเป็ที่หลานนะบางทีอาจจะเดินเร็วกว่าจะมาก็ได้นะผ่านไปได้ก่อนก็ได้นะอันนี้ไม่ต้องรบกวนใครมาผูดถึงโยมก็ไม่คิดจะแก่งกันนะแต่ให้เราเป็นเพื่อนร่วมเดินทางด้วยกันนะทางตัเนี้ยไม่มีว่าที่หนึ่งที่สอที่สาอะไรจะไปกี่คนก็ได้นะรับได้หมดนะว่าจะเดินไปเรือยนะ ให้พวกเรได้ลองกสนะ